หาสวดกินข้าวต้มขนมเขาจะถึงแหลกพวกกระหนพวกสวดกินทำมาเลยเป็นเครื่องมือหากินไปทั้งหมดหากินข้าวต้มขนมกุศลาธรรมากุศลาธรรมาวยาตาธรรมาคนตายทีนี้เรไปแล้วความฉลาดไะสวดหากินข้าวต้มขนมนี้ยความฉลาดกุศลาธรรมา ทำางคนให้ฉลาดนั้นฉลาดหาจิ้งกะตุ้มขนมไปเที่ยวพวกเรามันไม่ฉลาดก็มาแก้ที่เล็กก็ฟันที่เหล็หกจริงๆคว่ากุชลาทํามมาครับกุชลาทํามาทําพาคนให้งโง่นะี่ที่พาคนให้งโง่ทำคนให้งโง่ออกกุชลาของมันพอตัวพอตัวอะไรอยู่ไหนก็รู้ชัดท งใช้เป็นไงรู้พอจั่วฟังจะบอกพอจั่วเลยสำคัญนั่นหมายกับเรื่รงวิชาวิาอากาศการเป็นการตายไปถึงไปต่ำเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนถูกทุปอะการไหนคำนึงคิดไปแห้เสียเวลาทําไมมันถึงความจริงเต็มส่วนแล้วอยู่ตามความจริงนั้นแสนสบายยิ่งกว่าจะไปคว้านนูน้านี้ค้าลมๆแรง พอพุทธาจ้าสังขาริงกินขณะนั่งมันทั้งไม่อยากกินมนุษย์เราว่าหลยางยิ่งพระกรรมฐานานนสงารเหนจังอย่างนี้นมอมตะงมคว้างคว้าง อ, อ, อ, อธิชาสำคัญเชื่อาพาให้เกิดแม่ละเอียดมากทีเดียวการมนเคยทำาไม่รู้ ทำเัาต้องผมทำมาปฏิบัติมูเขาไปลูกเขาไปตางเขาไปตามเขาไปจนถึงตัวมันเลยเมื่ออธิบายหมู่เพื่อนฟังเพ่อมันรู้กี่ครั้งกี่หงมันยังไม่ถึงใจเลยการอธิบายนี้ไม่ได้สนใจนะอธิบาย ตามความปิ่นกะแท้ทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลไม่อธิบายด้วยความสงสัยอธิบายหมู่คนฟังน่าจะจับอุ้มเงื่อนในเงื่นบุ๋เข้าไปกิงจังกับตัวเองอยู่ไปนานไปมันชินชานะอความชินชาเป็นอะไรถ้าไม่ใช่กิเล็ถ้าทํามันจะราบลื่นมันคล่องตัวไปเลยในการแก้การตก ความไม่ลุมตัวนี่จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นความละมัดละวังสังรวมตัวนี่จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นนั่นคือธรรมเอาไปลงความชินช า, ามันทินชาแล้วมันจะไปไหนทั้งไม่ใคยมันจะไม่ไปหน้าด้านจะไปไหนนักถ้าชินชาแล้วหน้าด้านเขาเรียกอะไรภาษาภาษาาาเขาเรียกเล็บ ก, ก้นเตาอะไรเขาว่าทองก้นเบ้าหรืออะไรอ มันก็นมาในเรื่องเออไปทำอะไรก็ไม่ประโยชน์ท่านผู้การท่านเอกที่มัวจังนะท่านถือนี้เป็นการเป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจจริงๆทั้งไให้อะไรไม่ อ, อะไรมายุ่งนะให้ให้ทราบราักฐานหรือแ ก, ก่นของการปฏิบัติธรรมแก่นของศาสนาแก่นของผู้ปารองเนยท่านําเนยอย่างนั้นนะพวกเรา มันก็เห็นตามระดับเวลาแต่มันเมื่อความจริงไม่ถึงใจแล้วมันไม่กระจายมันไม่ซึ้งในธรรมทั้งหลายที่ท่านดําเนินมาพาดําเนินมามันก็ไม่ซึ้งถ้าเป็นเลือดกิเลสแล้วมันซึ้งไม่ว่ามันจะแยบมาหมัดไหนอ่ะเป็นเปิดให้มันเลยก็จะเปิดให้มันอยู่แล้วงแต่มันยังไม่ต่อมานุ่งหรืออะไรจะไปคิดปัดป้องมันล่ะ อักิเลเหมือนกับกว่าควักมือเอาเนี้ยเข้าขมาเลยมาเลยมาเอากงค้างเอากระไก่เนี่ยนะเหมือนอย่างนั้นงายหมาลงไปง่ายไม่มีท่าก็เหมือนงายหมาทิงายมีท่ามงายต่อสู้งายหลบ ห, หลบหมัดมันง่ายแบบเสียดไม่มีท่าเหมือนถูกนอกห้องใช่ไม่ได้เพราะเราพวกถูกนอกงายไม่เป็นท่า พูดแล้วเรายังโมโหวะ่ะโมหโมหทางมหมูท่ทางเพว่อนมันเคยปัดกับมันมาพอแล้วอ๋อบางครัง้งบางข่าวเหมือนจะเป็นจะไปทั้งชีวิตนี่เลยอ้าวไปไปว่นะมันหู้นะยิดอ่ะเวลามันแข็งแกร่งมันแกร่งขนาดนั้นอาอาวไปเถอะว่างั้นเลยยังไงก็ไม่สอย พุ่งได้นะล่ะเวลาเช่นนั้น น, นี่เราจึได้เห็นเรื่องของอมัชติมาปฏิบาาัติธรรมเห็นได้ชัดอย่างนี้เองไม่ได้คุยเอาคํามจริงมาพูดกันเดี๋ยวพระพุทธเจ้าอมัสติมาปฏิบัาิะรรมเดี๋ยวเรามาแปลกันแปลไม่ได้ปฏิบัติอืมัชติมาปฏิบาัตาิเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักไม่ยิ่งนักมันเป็นยังไงไม่หย่อนนักมันเป็นยังไง สายกลางนั้นคื อ, อยังไงก็เห็นแต่หมอนเสื่อกับหมอนนะ่ะมันสายกลางนั่นกิเลสมันมีมัติมาของมันอย่างเหมาะสมโลกที่มัติดมาเดินทางสายกลางนี่หนาะลงตรงเสื่อกับหมอนกลางนี่หนาะนั่นถ้าจะทําคํามเบ้าเยน็นแข็งค้อ บ, บ้างโอ้ไม่ได้นะอย่างนั้นนะนั่นกิเลสมันกล่อมมาเราลมนะ่ม ล, ล, ล, ละเลาเลยถ้าเป็นมัติมาของธรรมนะเอากิเลสผลมาผลมาที่าาาวางนั้นเลย แลเหมือนกับข้าศึกมันกองทัพใหญ่มาเครื่องมือของมันเป็นยังไงเราต้องเตรียมของเราให้พร้อมฟาดกันเลยไม่เหนือมันชนะมันได้ยังไงข้าศึกน่นสติปัญญาซึ่งเป็นมัจจิมาลไม่เหมาะสมกับพิเดจะปราบพิเดได้ยังไงเวลาพิเดผลมาก็ต้องโผล่ไปออืนั่นนลังเรียกงของมัจจิมาคือเหมาะสมเหมาะสมกับการปราบพิเดประเภทนั่นนั้นนั่นเดินทางสายกลางไม่เข่ามาสายกลางไง ผลดท้ายว่าอยากไปนิพพานก็กลัวเป็นตันหาเลยเนี่ยนั่นฟังไหอยากไปนิพพานกลัวเป็นตันหาผม เ, เห็นทุกคนตายนั้นไม่อยากแล้วไปนิพพานเลยเห็นแต่มันขึ้นกองฟอนกองใสเลยนะมันจะไปนิพพานไหมเป็นคนตายอยากกับกิเลสพันกันอยู่วันนั่งค่ำมันเป็นยังไงไม่เห็นคิดพอะจะอยากไปนิพพานพอจะหันหน้าออกจากกิเลส มองดูทางที่ผ่านล้วโอ้ยนี่เป็นตัณหานของว่าอีเลยความอยากเป็นมากก็มีความอยากเป็นกิเลสมันยังมีทำไมความอยากเป็นมากมีไม่ได้วะมันจะแก้กันได้ยังไงเอาตรงนั้นเลยนั่นไม่ทันกันนะทาไม่พลิกอย่างนี้ไม่ทันกันกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนทําไม่แหลมคมมีสติปัญญาเป็นตัวไม่แหลมคมไม่ได้ต้องพลิกแพงแปลกๆหลายสันพันคมเลยมันจะทันกัน เผ็ดมาเผ็ดไปร้อนมาร้อนไปเอาให้มันทันกันแก้ไม้มวยก็ให้ได้แก้ไม่ได้ตายจริงนะนี่เราเสียข้าวเขาโดยวิธีนี้เราจะแก้วิธีไหนนั่นนต้องแก้ในแก้ก็ถูกนอกอจริง น, นี่เราเห็นคุณค่าของการเด็ดเดี่ยวเวลาจำเป็นจนเกาะเกินมุมนี้เราเห็นคุณค่าจริงที่แนะนํามาพูดในหมู่เพื่อนฟังพูดด้วยความกล้าหาญด้วย มันไม่จนกรอกหนาว่างนี่เลยเวลาเราจริงจังทุกันหนาแน่นก็าทลายเหมือนจะมันมัดเราจะให้ตายปัจจุบันสติปัญญายิ่หมุนเข้าไปตรงนั้นมันออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ก็เหมือนกับตะลุมบองไปแล้วออกเผลอได้ยังไงอน้องมวยเข้าวงในแล้วเผลอได้ไงเนี่ยสติปัญญามันหมุนติ้วติ้วติ้วมันทุกหนักอะไรมันยิ่นหมุนเข้าไปเรื่อยๆต่อแล้วมันก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจเดีางแบบพังทลายนั่น มมันยากเพราะงั้นเวลามาพูดหมูเื่อนมันจึงถงว่ายากคุณเลยเคยปฏิบัติมายังไงได้ผลยังไงก็ต้องมันไม่พ้นที่จะนำนิสัยนั้นมาใช่แนหะไม่ว่าครูบาอาจารย์ในก็เถอะอะไวว่าอย่างนี้นะอย่างหลวงปู่ขาเราลองดูซิไปฟังวงภายในกันซิโอ้โหเวลาท่านานเสียงนี่โหกลางวานไปเหมือนกับสามแดนโลกธาตุ อันเด็ดมันไม่ใช่เล่นนะมันขู่ขาวนี่เพราน้งพูดเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงลุ้งแหวนนวันกันผมเคยไปคุยธรรมะกับท่านแล้วถยายามมาเข้าให้ถึงเพราะท่า น, นล่ำลือมันนะเราเราคเข้าถึงท่านคุยธรรมะกับท่านเอาปัาป๊บเลยสิโอ้ ธรรมะท่านบรรจุไว้ถ้าเป็นตุ่มถ้าเป็นถังก็ถังอย่างนี้ไม่เคยจะเปิดออกท้ายอืมอะไรทุ่มควรแต่ น, น้ํานี่ท่านก็ดูน้ำนี่เป็นน้ําที่สะอาดน้ําที่มีคุณค่ามากจะไปเปิดทิ้งเปิดอะไรเฉยไม่เกิดประโยชน์ก็เหมือนกับละลายกะปิในน้ำทะเลอะไรยเงี้ยท่านก็ไม่พูดรอรอย่าเงยท่านก็ดูไปอย่างนั้นแล้วจะเป็นภาพเป็นเนนเต็มวัดเต็มวาก็ตามมันก็เหมือนกับ หัวไม้หัวต่อนั่งอะไร่ท่านไปสนใจอะไรมันไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่พวกนี่มนไม่สนใจท่านจะไปพูดอะไรพอไปแย่ท่านปับ๊บท่านผางออกมาเลยเจ้โอ้หผมยังไม่ลืมเลยคนเราคนที่ดื้อเดี๋ยววะใส่ปั๊บเข้าไปเอาไม่เอาหลายหมัด น, นะสองหมัดเท่านั้นแหะใส่ป้าวไปท่านกับโห้ตัดพึ่งเลยเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงจะง่งยาเยเราไม่ลืมนะ สิบนาทีนี่เข้มข้นไปถึงสิบนาทีแล้วหยุดเนี่เราเข้าใจแล้วท่านพุทั้งหมดมันหมดที่สงสัยแล้วในจุดนี้หว่างั้นถึงก็ใส่แยบเข้าไปอป้าลิงเหผาอมาเคราวนี้สี่หรือห้า น, นาทีไหลามาเสียงโอ้ยท่านไม่ชอบท่านในเสียงมาจากไหนขึงขังตึงต้งตังคึกครับโอ้พูดไม่ถูกเสียงลั่นเถ้าเป็นคนเดินไปําบริเวณนนั้อะไรที่พระทะเลาะ ก, กันยังไงจิงว่ญญาณนะ ไปจบลงอ้าวท่ามหาหรืว่าไม่ถูกตรงไหนค้านขึ้นมาเห็นว่านะก็ผมไม่ได้ค้านผุผมค้าทาอย่างนี้แหละเราก็ลงแลวนะลงท่านแล้วอ น, นั้นะเลยถามองค์นั้นน่ะได้คุยไปแล้วยังองค์นั้นน่ะได้คุยหรือยังกับองค์นั้นน่ะได้คุยไป้วยังทาง่ทานถามไปเรื่อยนะก็คำามา้องว่าธรรมะทีดือ้ออย่า้ ปัญหาที่ดื่มประฐานไปเทียบตัที่ไหนบางคงความหมายก็คงว่างนั้นนะ <c oughs> โอ้ท่านเยี่มเยี ม, ยมแจม่มใสดูที่หน้าที่ตาดูทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่ามันขึ้นพร้อมพอมกันหมดเลยพลังของธรรมท่านออกเนี่ยเต็มที่ถ้าเป็นโรคเป็นพลังของกิเลสเนี่ยถ้าเป็นธรรมขีดของท่าน บ, บริสุทธ์ก็เป็นพลังของธรรมออกมาเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่ใช้ก็เอาเครื่องมือของกิเลสมาใช้ อวัยวะทุกส่วนเป็นเครื่องมือของกิเลสนั้นเป็นนิบาสของกิเลสเมื่อทําไม่มีเครื่องมือเป็นของตัวแล้วก็ต้องเอาสิ่งนี้มาใช้เพราะฉะนั้นกิจยาท่าทางของธรรมที่นําเครื่องมือของกิเลสมาใช้มันจึงเป็นเหมือนกับกิเลสมีอะไรทีว่ว่าคนเมื่หลับท่านอาจารย์นั้นดูอาจารยตรงนี้ดูว่า อ, อย่างนั้นเขาไม่เคยเห็นเห็นแต่พลังกิเลสถ้ากิจยาจะแจ้งมาอย่างนั้นก็คือกิเลสดีดๆเ็นเขาไม่เคยเห็นเรื่องของธรรมเป็นอย่างไง จะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เคยรู้ไปเองท่า น, นจะมั่นเป็นแดงนี่โหทั้งทาทั้งทั้งไม้ทั้งมือเวลาท่เอาจากถึงพลิกถึงฉิงโอ้ยังไม่ัไม่ไไมโอ้โหนี่กับมือก็ไก่นี่ก็โดนกระโถนนี่กริ่งตกตะทักหน่งนนเรายังไม่ลืมนะท่านเลยหยุดแหละเพราะ หมือนโดนกระถนก็ปิ่งผ่านท่าปันี้ก็ลงนุ่นตกแตะลงพักหนึ่งนเงียบนเลยทเงีย บ, รบพระก็รีบจับกระถนท่านอยู่พักนียท่านนาั่งพักนียเทพว่ า, นนามือนมือนตกแตะกระถนไปมันหางกันยังขนาดเม็ดหนึ่งกับท่า น, นก็ปิ่งไปตกไปนุ่นตกไปหาพระผ่านไปนุ่นพาคก็รีบจับนิ่งไปเงียบไปนิ่งอ กระทั่งสิเลสโอ้อกะทั่งกระถนตกเลยนะเนาะนั่นก็ย้อนไปยังไง่ะกิเลสหลงพามันตกไว้บ้างไหมล่ะนี่ตกแต่กระถนนะแนปุ๊บเลยอยุสิเสงรถอะไรเห็นไฟข้างหน้าไหมเห็นมั้ยแต่ว่านั่นมันบังมันไม่ไม่ค่อยมองเห็นไปเดย เหมือนกับเสียงรถซาซ่ามาตรงนี้นะพะไปาะไปหาหมอฮะบอไปหาหมออ๋อนั่นพาไปหาหมอเหรอพาไหนไปหาหมอหนูอ๋อหนูเลยไม่ได้ฟังแค่นูเลยเป็นเงินไหนวันไหนกันน่โทษลมไอหมูกพื่อนหาเนื้อหา อะไรไม่เกิดที่ทำให้นี่แล้วก็มันก็มีมากเลยนั่นเนี่ยมันเหลวๆไหลายๆไปนะเราเถ็ดนะั้นเองเหล่านี้กิเลสพาให้ลืมตัวได้ง่ายๆนะมันมาแก้กิเลสมันจะการเป็ิเลสมัดคอนะส่วนหน้ามันมาแก้กิเลสมันมีแต่ชื่อนะกิเลสมัดคอไม่ได้พูดทั้งที่มันมัดตลอเวลา นี่ก็เลยไม่ฉันนั่นแหะฉันยานี่จะฉันยาหน่อยนี่ยยาพุ่มประจิตฉันยานี้อะไรใช้ตะคอนแตกระนี้พอฉันเป็นขั้งที่สองมันขันแพ้ผมเคยจัดนี่ผมเคยบางวันผมก็ฉันน้อยไปเลยถ้าฉันเพียงคนเดียวถ้าฉันตอนกังถ้าผมฉันสองคนจนมากผมจะมีเวลาเทสนี่มันเหนื่อยเบียแล้วเลยจ้ะไปลราขัน นี่พร้อมเหนื่อยๆก็ฉันั้วนีันก็ยังมีอยู่มากยานี่ยพอดิท่นเห็นเปิดแกอะไรปุ๊ดที่ไหนใครไปเปิดประตูให้หรอไปยังฮะฮะหูผ้าทั้งหลายกับหูเราเนี่ยค มันนั่นแหมันขับปุ่มนะหูเราก็เห็นหูดีอะไรตาเราฟับฟ้าฟัง <absorbing> ฟ <noise> ังแต่ม <Wag yi> ันทําไมเห็นอะไรก่อนเพื่อนอยู่เวลาเราอยู่กุฏินรหมู่เพื่อนคุยกันอะไรนี่ได้ยินมดเวลาจําเป็นเราเคาะไม้ป๊อกป๊อป๊ป๊นี่หายเงียบเหมือนตายกันทั้งวัดนี่บางทีอคาะถึงสามพักคือพักหนึ่งป๊อกป๊อกป๊อก๊ก๊๊๊กป๊อเร็หยุดไป ไม่ได้เรือ่องมาเคาะอีกแล้วก็เงียบไปอีกมาเคาะอีกก็เงียบไปอีออกเอ๊ะเป็นยไงด้อมๆมันรู้ก็อยู่นี้ลผ้าก็ได้เล่นด้านเนี่ยดูมันจะทั้งหลับหูหลับตาทั้งปิดไปงนี้ทั้งทำงี้ก็ไม่รู้มันถึงไม่ได้ยินนี่แสดงว่าจิตสติไมไ่อยู่กับตัวนานถ้าสติอยู่กับตัวมันก็เหมือนคนอยู่บ้านอะไรมามนาแล้วก็ผ่านรู้รูอันนี้มันไม่รู้ นอกจากโกโก้กาแฟมันจะรู้โกโก้กาแฟมันเคยผ่านมันรู้ได้เดียวเลยน้ำต้มน้ำหวานโกโก้กาแฟมันรู้เร็วอันนี้ผ่านรู้เร็วเสียงนั่นไม่รู้กพรามันไม่มีหวังเสียงนั้นมันไม่มีหวังยิ่งไปสนใจมันด้วอยก็สิ่งมีหวังมีอยู่มีหวัง พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่เราพระองค์นี่เป็นกัพ น, นโลกก็มีองค์เดียวเท่านั้นสามภพนี่มีองค์เดียวเท่านั้นผู้รู้เรื่องผูละผู้เปล่าไม่ได้นั่นนผู้เยาวัดขึ้นในโลกจึงเป็นมหาอุตมะมงคลอย่าง ย, างยิ่งเกอโลกนันให้ได้เห็นปิดถูกดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์มังสัที น, น พอาสนาเนี่ยหายไปเพราะกิเลสในคะรอบของใจสงสัตว์ไม่ให้มีความเทือ่อความตนใจต่อศาสนาศาสนาหมดไปอันนี้ก็มีแต่อันเดีย ว, วนะครัะข้อไม่อีูมองอะไรเห็นห อ, อะไรพระพุทธเจ้าเป็นพุทธันดอนหนึ่งที่เอามาอุบัติพระองค์มาโพ้ข<ฟ>ึ้นมาทีหนึ่งพอรู้ ยังไงเราก็เหมือนกันนันพุทธนนท์นองพุทธนนท์นสติั้โผขึ้นมาปัญญาแยบบงก็ไม่ได้เรื่องเท่าแค่นี้ห่อยมืดมิดปิดตาไปอีกไม่เลยพุทธนรยไม่รู้เวันหนึ่งันหหือแ่ไหนไม่ได้แค่ไหนไม่ได้เรื่องมั้จะไปก่อนก็ได้นะไม่ว่าอะไรนะไปก็ได้อยู่ก็ได้ไม่ว่าตามรายะสายนี่ก็ความจริงเนี่ย กันต่างอันต่างจริงแ้วมีได้มีเสียกันที่ตรงไหนเนี่ยเท่านั้นเองนี่ทำไงสอนฟังกับมดุดเราก็เลยมดภูมิกุอัญญามดมาสอนสอนมดุดภูมิแนวกับมดนี่นจะเอาแบบโัฒนาเซนเขาอยู่ก็เราไม่ใช่เซนว่ะ เห็นก็ทําไงนั่งพุ่มไปใครเป็นนั่งสมูงานก็คว้อนเขาตยเอาเงี้ยนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะผ้าเนี่ย น, น, นี้ไม่มีหนังอะไรนี่ยถูกคว้านแตกหมดเลยพวกนี้พวกหนังไม่ติดตัวนี่ค้าน ด, ด, ด, ดีไม่ดีไม่ว่าตับอ่นตัดจะไ ม, ไม่มีหลือคนมาทมาําเป็นคว้านไตยพระว่าไงท่านปัญญาพวกนี้พวกมันมีหนังแหลกหมดถ้าจะแบบสัญญาณเสร็จ มันยังตายเหมอนกันหมดหรอหมด่ะไรกนหมดจนหมดลมนี่จะตาย